ท่านโทตกะทูลถามว่าข้าพระองค์ย่อมเห็นพระองค์ผู้ไม่มีเครื่องกลงวลเป็นพรามเสดจาริกอยู่ในเทวโลกและมนุษเซยโลกข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักขูข้าพระองค์ขอนามส ก, การพระองค์นั้นข้าแต่พระองค์ผู้สักกะขอพระองค์โปรดปลดปลดื้งข้าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิดว่าด้วยเทพสาม คำว่าข้าพระองค์ย่อมเห็นในเทวโลกและมนุษยโลกอธิบายว่าคำว่าเทวะได้แก่เทพสามจำพวกคือหนึ่งส ม, มุติเทพสองอุบัติเทพสวิสุทธิเทพส ม, มุติเทพเป็นอย่างไรคือพระราชาพระราชกุมารพระราชเทวีเรียกว่าส ม, มุติเทพอุบัติเทพเป็นอย่างไร เพื่อเทวดาชั้นจาตุมหาราชเทวดาชั้นเดวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานรดีเทวดาชั้นปารณิ ม, มิตวสวสวตีเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรมและเทวดาชั้นสูงขึ้นไปกว่า น, นั้นเรียกว่าอุบัติเทพวิสุทธิเทพเป็นอย่างไรคือพระอรหันตขีนาศผู้เป็นสาวกของพระตถาคต เรียกว่าวิสุทธิเทพและพระปัจเจกพบพุทธเจ้าก็เรียกว่าวิสุทธิเทพพระผู้มีพระภาคทรงเป็นเทพเป็นอติเทพและเป็นเทพยิ่งกว่าเทพยิ่งกว่าสมุติเทพอุบัติเทพและวิสุทธิเทพทั้งหลายทรงเป็นราชสียิ่งกว่าราชสีเป็นนาคยิ่งกว่านาคเป็นผู้นำหมู่ยิ่งกว่าผู้นาหมู่เป็นพระมุนียิ่งกว่าพระมุนี เป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชาคําว่าข้าพระองค์ย่อมเห็นในเทวโลกและในมนุษยโลกอธิบายว่าข้าพระองค์ย่อมเห็นคือแลเห็นมองดูเพ่งพินิษพิจารณาเห็นพระองค์ผู้ทรงเป็นเทพผู้ทรงเป็นอติเทพผู้ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพรวมความว่าข้าพระองค์ย่อมเห็นในเทวโลกและมนุษยโลก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 ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าไม่มีเครื่องกังวลว่าด้วยพระผู้มีร พ, ร, ม พ, ร, มพ ร, ะมระภาคชื่อว่าเป็นพราหมณ์คําว่าเป็นพราหมณ์อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะทรงลอยทำเจ็บประการได้แล้ว คือหลอยสักกยติทิได้แล้วสองลอยวิจิกิจชาได้แล้วสลอยศีลพตปรา rama าได้แล้วสลอยราคะได้แล้วหลอยโทสะได้แล้ว 6. ลอยโมหะได้แล้ว 7. ลอยมานะได้แล้วคือพระผู้มีพระภาคทรงลอยบาปอากุศลธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้ามองก่อพพใหม่มีความกระวนกระวาย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 บัรดิตเรื่อยผู้นั้นว่าเป็นพรามคําว่าเสดจาริอยู่ได้แก่เสดเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดําเนินไปยังชีวิตให้ดําเนินไปรวมความว่าไม่มีเครื่องกังวลเป็นพรามเสดจาริอยู่คําว่าพระองค์ในคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมรตจักขู เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอนมัสการพระองค์เป็นคําที่โทตกะพรามเรียกพระผู้มีพระภาคคําว่าขอนมัสการอธิบายว่าขอนมัสการคือขอสากกระเคารพนับถือบูชาด้วยกายวาจาใจด้วยการปฏิบัติเอื้อประโยชน์หรือด้วยการปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมคําว่าผู้มีจมันตะจักขุอธิบายว่า พระสัพพัญยุตยานตรัสเรียกว่าสมันตะจักขุพระผู้มีพระภาคทรงประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียรพร้อมแล้วด้วยพระสัพพัญยุตยา น, นั้นสมจริงดังคาถาพระพันธ์ว่าสิ่งไรๆใ น, ในไตรโลกธาตุนี้พระปัญญาจักขุ ข, ของพระตถาคตนั้นไม่เห็นไม่มีเลย อันหนึ่งธรรมชาติอะไรอะไรที่ควรรู้พระพุทธญาณไม่รู้แจ้งก็ไม่มีธรรมชาติที่ควรแนะนํำใดมีอยู่พระถถาคตได้ทรงทราบธรรมชาติที่ควรแนะนํำนั้นทั้งหมดเพราะเหตุนั้นพระธถาคตจึงชื่อว่าผู้มีสมันตจกักขุรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจกักขุข้าพระองค์ขอนามสการพระองค์คาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ศักกะ ในคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้ศักกะขอพระองค์โปรดปลดปลื่องข้าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิดอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จออกผนวดจากศักรยะตระกูลจึงชื่อว่าผู้ศักกะอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงมั่งคั่งทรงมีทรัพย์มากทรงมีทรัพย์จึงชื่อว่าผู้ศักกะพระองค์ทรงมีทรัพย์เหล่านี้คือทรัพย์คือศรัทธา ซาภูศีสซหิริซัพูโอตตะปะัพภูสุตตะซาภูจาระซาภูปัญญาซาภูสติประธานัพภูสัมมาประธานซาภูอิทธิบาทซาภูอินรีซาภูพละซาภูพโอชงซาภูมักซาภูผลซาภูนิพานพระผู้มีพระภาคทรงมั่งคั่งทรงมีทรัพย์มาก ทรงมีทรัพย์ด้วยทรัพย์ที่เป็นรัตนะหลายอย่างเหล่านี้จึงชื่อว่าผู้สักกะอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาพทรงสามารถคือทรงองอาจอาจานมีความสามารถกล้ากล้าหารก้าวหน้าไม่ขาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีทรงละภัยและความหวาดกลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองกล้าวจึงชื่อว่าผู้สักกะ ว่าด mm. ้วยความสงสัยวิจิกิจฉาเรียกว่าความสงสัยได้แก่ความสงสัยในทุกข์ความสงสัยในทุกขะสมุทัยความสงสัยในทุกขนิโรธความสงสัยในทุกขะนิโรธคาไม่มีปฏิปทาความสงสัยในส่วนเบื้องต้นความสงสัยในส่วนเบื้องปลายความสงสัยทั้งในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทว่า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 คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้ศักดะขอพระองค์โปรดปลดเรื่องฆ่าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิดอธิบายว่าขอพระองค์โปรดปลื้องฆ่าพระองค์โปรดปลดเมเรื่องฆ่าพระองค์เพื่อโปรดปล่อยโปลดปล่อยถอนฉุดรั้งฆ้าพระองค์ได้แก่ทรงให้ข่าพระองค์ออกจากลูกศรคือความสงสัยเถิดรวมความว่าฆ่าแต่พระองค์ผู้ศักดะ ขอพระองค์โปรดปลดเรื่องข้าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิดด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ย่อมเห็นพระองค์ผู้ไม่มีเครื่องกังวลเป็นพราหมณ์สเสด็จจาริกอยู่ในเทวลโลกและมนุสีีโลกข้าแต่พระองค์ผู้มีสมรติจากขุข้าพระองค์ขอนามส ก, การพระองค์นั้นข้าแต่พระองค์ผู้ศักด ขอพระองค์โปรดปลดเรื่องค่าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะเราไม่สามารถปลดเรื่องใครๆผู้มีความสงสัยในโลกได้ แต่เธอเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมอันประเสริฐก็จะพึงข้ามโอคะนี้ได้เองด้วยประการชนิคำว่าเราไม่สามารถปลดเปลื้องอธิบายว่าเราไม่อาจเปลื้องปลดเปลื้องปล่อยปลดปล่อยถอนเธอขึ้นได้แก่ให้เธอถอนออกให้ขึ้นจากลูกศรคือความสงสัยได้รวมความว่าเราไม่สามารถปลดเปลื้องอย่างนี้บ้าง อีกนายหนึ่งเราไม่อาจคือไม่สามารถไม่อุสาหะไม่พยายามไม่ทำความอุสาหะไม่ทำความหมั่นเพียรไม่ทำความพยายามไม่ทำความทรงจาไม่ทำความเป็นผู้กล้าได้แก่ไม่ให้ฉันทะเกิดคือไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นเพื่อแสดงธรรมปลดเรื่องบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะเกียคร้านและความเพียร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 ด้วยความเพียรด้วยความบากบัน่นด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยกําลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษของตอนเองเท่านั้นรวมความว่าเราไม่สามารถปลดปลืองอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าจุนทะข้อที่บุคคลซึ่งตนเองก็จมดิ่งอยู่จากฉุดผู้อื่นที่จมดิ่งอยู่แล้วขึ้นมาได้เป็นไปไม่ได้ ข้อที่บุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมยังไม่ได้ดับกิเลสด้วยตนเองจากฝึกฝนอบรมผู้อื่นทำผู้อื่นให้ดับกิเลสเป็นไปไม่ได้เลยรวมความว่าเราไม่สามารถปลดเปื่องอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าตนทำชั่วเองก็เศร้าหมองเองไม่ทำชั่วก็บริสุทธิ์เอง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 พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสําเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกวก็ไม่สําเร็จในเรื่องนี้เราจะทําอย่างไรได้ตถาคตก็เป็นแต่ผู้บอกทางพระพุทธเจ้าก็เพียงบอกทางให้บุคคลผู้ปฏิบัติด้วยตนเองจะพึงหลุดพ้นได้ด้วยประการศนี้รวมความว่าเราไม่สามารถปลดเปลื้องอย่างนี้บ้าง คำว่าโทตกะใครๆผู้มีความสงสัยในโลกได้อธิบายว่าบุคคลผู้มีความสงสัยคือมีความแคลงใจมีความระแวงมีความเห็นสองจิตสงใจมีความคล่องใจคำว่าใครๆได้แก่ใครๆคือเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรครหัตบรรพชิตเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามคำว่าในโลกได้แก่ ในอบายโลกอายตนะโลกรวมความว่าโทตกะใครๆผู้มีความสงสัยในโลกได้คําว่าแต่เธอเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมอันประเสริฐอธิบายว่าอมตะนิพพานตรัสเรียกว่าธรรมอันประเสริฐได้แก่ธรรมเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกหนัด เป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทคำว่าอันประเสริฐได้แก่ทาอันเลิศประเสริฐวิเศษสุดชั้นแนวหน้าสูงสุดยอดเยี่ยมคำว่าเมื่อรู้ได้แก่เมื่อรู้คือเมื่อรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดรวมความว่าแต่เธอเมื่อรู้ทั่วถึงทมอันประเสริฐ คำว่าเธอก็จะพึงข้ามโอคะนี้ได้เองด้วยประการศนี้อธิบายว่าเธอก็พึงข้ามคือก้าวล่วงล่วงเลยกามโมคะพโวคะทิถโถคะอวิโชคะได้ด้วยประการศนี้รวมความว่าเธอก็จะพึงข้ามโอคะนี้ด้วยประการศนิด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าโทตกะ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 ขอพระองค tamam ์ทรงพระกรุณาตรัสสอนอธิบายว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์โปรดตรัสสอนคือข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์โปรดทรงอนุเคราะห์ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์โปรดทรงเอื้อเฟื้อรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ตรัสสอนคําว่าทรงพระกรุณาได้แก่ ทรงพระกรุณาเพือทรงเอ็นดูรักษาอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสสอนคําว่าวิเวกกระทำที่ข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้อธิบายว่าอมตะนิพพานตรัสเรียกว่าวิเวกกระทำได้แก่ทำเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่จะละทิ้งอุปธิทั้งหมด เป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทคำว่าที่ย่ข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้ได้แก่ที่ย่ข้าพระองค์พึงรู้คือพึงรู้ทั่วรู้เฉพาะแทงตลอดบรรลุถูกต้องทําให้แจ้งรวมความว่าวิเวกประธรรมเที่ข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้ คำว่าและโดยวิธีที่ข้าพระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอากาศอธิบายว่าอากาศไม่ขัดข้องคือจับต้องไม่ได้ไม่ติดไม่พัวพันฉันใดข้าพระองค์ไม่ขัดข้องคือไม่ยึดถือไม่ติดไม่พัวพันฉันนั้นรวมความว่าไม่ขัดข้องเหมือนอากาศอย่างนี้บ้างอากาศย้อมไม่ได้ด้วยน้ำครั่งน้ำขมิ้นสีเขียวหรือสีน้าฝาดฉันใด ข้าพระองค์ไม่กำหนักไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงไม่เศร้าหมองฉันนั้นรวมความว่าไม่ขัดข้องเหมือนอากาศอย่างนี้บ้างอากาศไม่ตําเริ่ไม่พยาบาทไม่โหดหู่ไม่กระทบกระทั่งฉันใดข้าพระองค์ไม่โกรธไม่พยาบามไม่โหดขู่ไม่กระทบไม่กระทั่งฉันนั้นรวมความว่าไม่ขัดข้องเหมือนอากาศอย่างนี้บ้าง คำว่าข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แหลในคำว่าข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แหลเป็นผู้ไม่ยึดอาศัยที่ก็ไปอยู่อธิบายว่าเป็นผู้อยู่ในที่นี้แหละเขาเป็นผู้นั่งอยู่ในที่นี้แหลเป็นผู้นั่งอยู่แล้วบนอาสนะนี้แหลเป็นผู้นั่งอยู่ในบริษัทนี้แหลรวมความว่าข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แหลอย่างนี้บ้าง อีกในหนึ่งสงบได้แล้วคือเข้าไปสงบได้แล้วสงบเย็นแล้วดับได้แล้วสงบระ ง, งับได้แล้วในที่นี้แหลรวมความว่าสงบอยู่ในที่นี้แหลอย่างนี้บ้างคำว่าเป็นผู้มียึดอาศัยอธิบายว่าการอาศัยสองอย่างคือหนึ่งการอาศัยด้วยอำนาจตันหา 2. การอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิ นี้ชื่อว่าการอาศัยเรื่องอำนาจตันหานี้ชื่อว่าการอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิผู้ใดละการอาศัยเรื่องำนาจตันหาสลัดทิ้งการอาศัยเรื่องำนาจทิฏฐิไม่อาศัยตาไม่อาศัยหูไม่อาศัยจมูกไม่อาศัยลิ้นไม่อาศัยกายไม่อาศัยใจไม่ยึดอาศัยคือไม่อาศัยไม่ติดแล้วไม่ติดนั่นแล้วไม่ติดใจในรูปเสียง ลินรถโพธภิภะธัมมารมระกูลคณนะอาวาาลาบยศสรนเสริญสุขจีวรบินดบาตเจนาสนะชิลานปัจจัยเพศบริขานกรรมธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกรรมภพรูปภพอรูปภ พ, พ, ป พ, พสัญญาภ พ, พอสัญญาภ พ, พเนวสัญญานาสัญญาภ พ, พเอขโวการภ พ, พจตุโวการภ พ, พ ปัญจะโวการพบอดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏพะที่ได้รับรู้และธรรมรมที่พึงรู้แจ้งออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่คำว่าเที่ยวไปอยู่ได้แก่เที่ยวไปอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไป ยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แลเป็นผู้ไม่ยึดอาศัยเที่ยวไปอยู่ด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสสอนวิเวกรธรรมที่ข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้และโดยวิธีที่ข้าพระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอากาศข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แล เป็นผู้ไม่ยึดอาศัยเที่ยวไปอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะบุคคลรู้ชัดความสงบใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่เพื่อข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสติการในโลกได้ เราจักล่าวความสงบนั้นที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอคำว่าเราจะกล่าวความสงบนั้นแก่เธออธิบายว่าเราจะกล่าวคือชี้แจงบอกแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจําแนกทำให้ง่ายประกาศความสงบคือความเข้าไปสงบความสงบเย็นความดับความสงบระงับราคะ ความสงบโทสะความสงบโมหะเราจะกล่าวชี้แจงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศความสงบคือความเข้าไปสงบความสงบเย็นความดับความสงบระงับโกทะอุปนาหะมะะัคคะปราสะอิสามัชริยะมายาสาเถยะธัมพะสารัมพะมานะ อติมานะมทะปามาท ะ, ร ะ, าทะเราจะกล่าวชี้แจงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศความสงบคือความเข้าไปสงบความสงบเย็นความดับความสงบระ ง, งับกิเลส ท, ทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวงะวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุชลาภิสังขารทุกประเภท รวมความว่าเราจะกล่าวความสงบนั้นแก่เธอคำว่าโทตะกะในคำว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตะกะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรามนั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดวยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจการบัญญัติรวมความว่า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะคำว่าในธรรมที่เราเห็นแล้วในคำว่าที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วอธิบายว่าในธรรมที่เราเห็นแล้วคือในธรรมที่เรารู้แล้วในธรรมที่เราเทียบเคียงแล้วในธรรมที่เราพิจารณาแล้วในธรรมที่เราทำให้แจ้งแล้วในธรรมที่เราทาให้กระจ่างแล้วได้แก่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 ในธรรมที่เราทําให้กระจ่างแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าในธรรมที่เราเห็นแล้วอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งเราจะกล่าวถึงทุกข์ในทุกข์ที่ได้เห็นแล้วจะกล่าวถึงสมุทยัยในสมุทัยที่ได้เห็นแล้วจะกล่าวถึงมรรคในมรรคที่ได้เห็นแล้ว จะ ก, กล่าวถึงนิโรธในนิโรธที่ได้เห็นแล้วรวมความว่าในธรรมที่เราเห็นแล้วอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเราจะกล่าวธรรมที่เห็นได้เองไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเชิญมาดูได้ควรน้อมเข้ามาในตนวินยูชนพึงรู้ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วรวมความว่าในธรรมที่เราเห็นแล้วอย่างนี้บ้างคำว่าที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเอง อธิบายว่าเราจะ ก, กล่าวทำที่รู้ด้วยตนเองทำที่ประจักษ์แก่ตนเองไม่ใช่โดยการเชื่อผู้อื่นว่าทำนี้เป็นดังนี้ดังนี้เคยไม่ใช่โดยการเล่าลือไม่ใช่โดยการเถือสืบๆกันมาไม่ใช่โดยการอ้างตำราไม่ใช่โดยตักกะไม่ใช่โดยการอนุมานไม่ใช่โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผลไม่ใช่เพราะเข้ากันได้กักบทฤษฎีที่พินิษไว้แล้ว รวมความว่าที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วคำว่าบุคคลรู้ชัดความสงบใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่อธิบายว่าบุคคลรู้ชัดแล้วคือเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งแล้วได้แก่บุคคลรู้ชัดแล้วเทียบเทียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง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 ตั้นหาตรัสเรียกว่าวิสัทธิกาคือความกำหนัดความกำหนัดนักอัพิชาอกุศลรมูลเคลโลภะคำว่าวิสัทธิกาอธิบายว่าตั้นหาชื่อว่าวิสัธิกาเพราะมีความหมายอย่างไรสร้างไปขยายไปฉะนั้นจึงชื่อว่าวิสัทธิกาคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกอายตนะโลก คำว่าพึงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัติกาในโลกได้อธิบายว่าบุคคลผู้มีสติพึงข้ามคือพึงข้ามไปข้ามพ้นกล้าวล่วงล่วงเลยตัญหาที่ชื่อว่าวิสัติกาในโลกได้รวมความว่าพึงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัฐิกาในโลกได้โดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า โชตกะบุคคลรู้ชัดความสงบใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิชิกาในโลกได้เราจะกล่าวความสงบนั้นที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอ ตกะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจความสงบอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสติกราในโลกได้คําว่านั้นในคําว่าข้าพระองค์ชอบใจนั้นอธิบายว่าข้าพระองค์พอใจชอบใจคือเบิก บ, บานใจอนุโมทนา ต้องการยินดีปรารถนาะมุ่งหมายมุ่งหวังพระตํารมดั่งคำที่เป็นแนวทางเทศนาคําสั่งสอนคําพร่ำสอนรวมความว่าข้าพระองค์ชอบใจนั้นคําว่าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ความสงบอันสูงสุดอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อย่างไรพระผู้มีพระภาคทรงสแสวงหาค้นหาเสาะหาศีลขันธ์ใหญ่จึงชื่อว่าทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้ทรงอ ง, งาอาจกวานรชนประทับอยู่ที่ไหนจึงชื่อว่าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คำว่าความสงบอันสูงสุดอธิบายว่า กรรมฐานิพพานแตกเรียกว่าความสงบได้แก่ทำเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่ฉลาดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายคหนักเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทคําว่าสูงสุดได้แก่เลิศประเสรศิฐวิเศษสุดชั้นแนวหน้าสูงสุดยอดเยี่ยมรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ความสงบอันสูงสุดคำว่าที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่อธิบายว่าบุคคลรู้ชัดแล้วคคอเทียบเคียงพิจารณาทําให้กระจา่างทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงได้แก่บุคคลรู้ชัดแล้วทเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ่างทําให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคาว่ามีสติได้แก่มีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปฐานพิจารณากายในกายบุคคลนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ามีสติคาว่าเที่ยวไปอยู่ได้แก่เที่ยวไปอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดาเนินไป ยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่คำว่าพึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตถิกาในโลกได้อธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าวิสัตถิกาคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอักุศุลโมลคือโลภะคาว่าวิสัตถิกาอธิบายว่าตัณหาชื่อว่าวิสัตถิกา เพราะมีความหมายอย่างไรซ่านไปขยายไปฉะนั้นจึงชื่อว่าวิสัธิกาคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกอายตนะโลกคาว่าพึงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัทธิกาในโลกได้อธิบายว่าปันหานี้ที่ชื่อว่าวิสัิกาในโลกนี้บุคคลผู้มีสติพึงข้ามคือพึงข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วง ล่วงเลยตันหาที่ชื่อว่าวิสัทิกาในโลกได้รวมความว่าพึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัทิกาในโลกได้ด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจความสงบอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัทิกาในโลกได้ มีประภาคตรตอบว่าโทตกะเธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเธอรู้ชัดธรรมนั้นว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วอย่าได้ก่อตัณหาเพื่อพบน้อยและพบใหญ่เลยคําว่าเธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอธิบายว่าเธอรู้ชัดคือรู้ทั่วรู้เฉพาะแทงตลอดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมความว่าเธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าโทตกะในคำว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียบครามนั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจกาบัญญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะ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 อีกในหนึ่งกุศลธรรมตรัสเรียกว่าชั้นสูงอกุศลธรรมตรัสเรียกว่าชั้นต่ำอพยาคตะธรรมตรัสเรียกว่าชั้นกลางอรูปธาตุตรัสเรียกว่าชั้นสูงกรรมธาตุตรัสเรียกว่าชั้นต่ำรูปธาตุตรัสเรียกว่าชั้นกลางสุขเวทนาตรัสเรียกว่าชั้นสูงทุกขเวทนาตรัสเรียกว่าชั้นต่ำ ทุกคมสุขเวทนาตรัดเรียกว่าชั้นกลางเบื้องสูงจากฝ่าเท้าขึ้นไปตรัดเรียกว่าชั้นสูงเบื้องต่ำจากปลายผมลงมาตรัสเรียกว่าชั้นต่ำตรงกลางตรัสเรียกว่าชั้นกลางรวมความว่าชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางคำว่าเธอรู้ชัดทมนั้นว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วอธิบายว่าเธอรู้แล้วคือทราบ เทียบเคียงพิจารณาทําให้กระจางทําให้แจ่มแจ้งแล้วว่านี้เป็นเครื่องค้องนี้เป็นเครื่องติดพันนี้เป็นเครื่องผูกพันนี้เป็นเครื่องผัวพันรวมความว่าเธอรู้ชัดรมนั้นว่าเป็นเครื่องค้องในโลกแล้วคําว่าตันหาในคําว่าอย่าได้ก่อตันหาเพื่อพบน้อยพบใหญ่เลยได้แก่รูปปัตนหาสัทตันหาคันทตันหา รัตตัญหาโพธะตัญหาธรรมตัญหาคำว่าเพื่อพบน้อยพบใหญ่เลยอธิบายว่าอยาก่อคืออย่าให้เกิดอย่าให้เกิดขึ้นอย่าให้บังเกิดอย่าให้บังเกิดขึ้นได้แก่ละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งตัญหาเพื่อพบน้อยพบใหญ่คือเพื่อการรมวัฏและวิปากวั เพื่อกรรมวัตเป็นเครื <genres> ่องเกิดในกามาพเพื่อวิปากวัตรเป็นเครื่องเกิดในกามาพเพื่อกรรมวัตเป็นเครื่องเกิดในรูปะพเพื่อวิปากวัตรเป็นเครื่องเกิดในรูปะพเพื่อกรรมวัตเป็นเครื่องเกิดในรูปะพเพื่อวิปากวัตรเป็นเครื่องเกิดในรูปะพเพื่อพบต่อไปเพื่อกติต่อไปเพื่อการเทือกําเนิดต่อไปเพื่อปฏิสนธิต่อไป เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งอัตภาพต่อไปรวมความว่าอย่าได้ก่อตัณหาเพื่อพบน้อยพบใหญ่เลยด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะเธอรู้ชัติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเธอรู้ชัดธรรมนั้นว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วอย่าได้ก่อตัณหาเพื่อพบน้อยพบใหญ่เลย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 อุปศีวะมานวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของอุปสีวะมานุบท่านอุปสีวะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้่พระองค์ผู้เดียวไม่ได้อาศัยเคยใครหรือสิ่งใดๆจึงไม่สามารถข้ามห่วงกิเลสอันยิ่งใหญ่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักขู่ขอพระองค์โปรดตรัสบอกอารมณ์ที่ข้าพระองค์ได้อาศัยแล้ว พึงข้ามห่วงกิเลสนี้ได้คาว่าผู้เดียวในคําว่าข่าแต่พระองค์ผู้สักกะข่าพระองค์ผู้เดียวห่วงกิเลสอันยิ่งใหญ่ได้อธิบายว่าข่าพระองค์อาศัยบุคคลหรือทาใดข้ามข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยห่วงกิเลสใหญ่คือกาโมคะพะโวคะทิทโขคะอวิโชคะ ข้าพระองค์ไม่มีบุคคลหรือทํานั้นเป็นเพื่อนว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าสักกะคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกะอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคผู้สักกะเสด็จออกขนวดจากสกยาตระกูลจึงชื่อว่าผู้สักกะอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงมั่งคั่งทรงมีทรัพย์มากมีทรัพย์จึงชื่อว่าผู้สักกะ พระองค์ทรงมีทรัพย์เหล่านี้คือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตะปะทรัพย์คือสุตะทรัพย์คือจาระทรัพย์คือปัญญาทรัพย์คือสติปทานทรัพย์คือสัมมาปธานทรัพย์คืออิทธิบาททรัพย์คืออินรียทรัพย์คือภละทรัพย์คือโภชงทรัพย์คือมักทรัพย์คือผลทรัพย์คือนิพพาน พระผู้มีพระภาคทรงมั่งคั่งมีทรัพย์มากทรงมีทรัพย์ด้วยทรัพย์ที่เป็นรัตนะหลายอย่างเหล่านี้จึงชื่อว่าผู้สักกะอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงสามารถคือทรงองอา จ, อาจหาฐานมีความสามารถกล้ากล้าหารก้าวหน้าไม่กลาดไม่หวาเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีทรงละภัยและความหวากลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองกล้าว จึงชื่อว่าผู้สักกะรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์ผู้เดียวฮ่วงกิเลสอันยิ่งใหญ่ได้คำว่าดังนี้ในคำว่าท่านอุปสีวะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคำว่าท่านเป็นคำกล่าวโดวยความเคารพคำว่าอุปศีวะเป็นชื่อของพราหมณ์นั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่า ท่านอุปศีวทูลถามดังนี้คำว่าไม่ได้อาศัยในคำว่าไม่ได้อาศัยใครๆหรือสิ่งใดๆจึงไม่สามารถข้ามได้แก่ไม่ได้อาศัยบุคคลหรือธรรมเลยคำว่าจึงไม่สามารถได้แก่ไม่กล้าไม่อาจเป็นผู้ไม่สามารถคำว่าข้ามได้แก่ข้ามคือข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วง ล่วงเลยห่วงกิเลสใหญ่คืคราโมคะพาโวคะทิโถโคะอวิโชคะรวมความว่าไม่ได้อาศัยเครือใครหรือสิ่งใดๆจึงไม่สามารถข้ามคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักขุขอพระองค์โปรดตรัส บ, บอกอารมณ์อธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรด บ, บอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจาแนก ทำให้ง่ายประกาศอารมณ์เครื่องยึดเหนีย่ยวที่อาศัยที่เข้าไปอาศัยคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักขุอธิบายว่าพระสัพพัญญุตยานเรียกว่าสมันตะจักขุพระผู้มีประภาทรงประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียรพร้อมด้วยพระสัพพัญญุตยา น, นั้น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 รวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมรันตะจักขุขอพระองค์โปรดตรัสบอกอารมณ์คำว่าที่ข้าพระองค์ได้อาศัยแล้วในคำว่าที่ข้าพระองค์ได้อาศัยแล้วพึงข้ามห้วงกิเลสนี้ได้ได้แก่บุคคลหรือธรรมที่ข้าพระองค์ได้อาศัยแล้วคำว่าพึงข้ามห้วงกิเลสนี้ได้อธิบายว่าพึงข้ามคือพึงข้ามไป ข้ามพ้นก้าล่วงล่วงเลยห่วงกิเลสใหญ่คือกามโมคะพโวคะทิโถโคะอวิชโชคะรวมความว่าที่ข้าพระองค์ได้อาศัยแล้วพึงข้ามห่วงกิเลสนี้ได้ด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าท่านอุปสีวะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ศักดะข้าพระองค์ผู้เดียวไม่ได้อาศัยใครๆหรือสิ่งใดๆ